บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายเสืบอต่อไปในโสลัะปัญหาคือปัญหาของมนุษย์สี่ปกคนที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นมาถึงท่านกัปปมนุษยท่านได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยขอให้พระผู้มีพระภาค้าทรงแสดงหลักการปฏิบัติที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากภัยและความทุกข์ในชั้นต่างๆซึ่งในการเชืเห็นว่าท่านผู้ถามนั้นได้มองเห็นชีวิตทุกขั้นตอนจนถึงชีวิตในสังสารวัฏว่าเป็นความทุกข์ ถ้าปรารถนาที่จะไห้ฟังธรรมซึ่งเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในชั้นนั้นๆเรื่องการมองเห็นทุกข์นั้นเป็นปัญหาพื้นฐานเบื้องตน้นที่จะทําให้บุคคลดิ้นรนเพื่อถอนตนออกไปจากความทุกข์นั้นๆดูแล้วใกล้ๆจะเป็นเรื่องง่าย แต่ในแง่ของชีวิตจริงก็จะพบว่าบุคคลมองเห็นสิ่งอะไรก็ตามว่าเป็นทุกข์จนพยายามช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในชั้นนั้นๆก็มีอยู่เป็นจำนวนน้อยดะนั้นคนส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในพ่วงของความทุกข์ในชั้นต่างๆก็นีบึพงสังเกตว่า พระพุทเจ้าทรงแสดงประเภทของคนเอาไว้พระพวกมืดมาแล้วก็มืดไปหมายถึงคนที่เกิดมาโดยพื้นฐานระดับฐานะอาชีพเป็นต้นมีความทุกข์ความขับแค้นความเดือดร้อนต่างๆแต่เขาก็อยู่เขาได้ก็มีความพอใจยินดีในสภาพเหล่านั้น ไม่มองเห็นสภาพชีวิตเช่นนั้นเป็นความทุกข์ก็ปล่อยกายปล่อยใจปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปด้วยชีวิตแบบตั้งเดิมเกิดมาอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้นเองและมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่มองเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในขณะนั้นๆก็มีปัญหามีความทุกข์ เปียนพยายามดิ้นเพื่อหลีกสถานะเหล่านั้นหลีกปัญหาเหล่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามองจากจุดสูงสุดอย่างที่พระอาหารหันทร์ท่านมองหรือกับท่านกัปปะมานพท่านมองเป็นลักษณะาการดิ้นจากทุกขอย่างหนึ่งเพื่อไปคว้าทุกกิจอย่างหนึ่งซึ่งภาระการแบกการหามทุกก็คงมีอยู่ คนนี้ก็เป็นไปยอย่างหลักที่ทรงแสดงไว้ว่าการทั้งห้านั้นเป็นภาระที่หนักยิ่งแต่คนก็ยังแบกขันทั้งห้าเอาเ่านั้นเอาไว้การปล่อยวางขันใชได้ก็เป็นความสุขโดยมีข้อแม้ว่าเมื่อวางแล้วจะต้องไม่ไปแบกขันอื่นหรือแบกภาระเรื่องอื่น ลักษณะการดิ้นรนเพื่อหนีความทุกข์ของคนเมื่อกล่าวเป็นประเภทใหญ่ๆตามระยะแห่งพระพุทธภาสิทธิ์นี้ก็จะเห็นได้ว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งแม้ว่าประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนว่าสิ่งที่ตนกำลังไปเชิญอยู่กำลังประสบอยู่เป็นความทุกข์แล้วก็พยายามหลีกหนีแต่ว่าการหลีกหนีนั้นเป็นหลีกหนีเพื่อสแสวงหาทุกข เกิดทุกอื่นจากทุกที่กาลังประสบอยู่ตนนั้นชั้นของการสแสวงหาที่เรียกว่าเป็นโลกิยะทั้งหลายอาศัยพื้นฐานของการมาตัญหาภวะตัญหาที่ไม่ค่อยยาบเท่าไรมีการดิ้นมีการสแสวงหาไปด้วยประการต่างๆยังว่าหนีความยากไร้ไปสู่ความบัางข้าง เมื่อเทียบเคียงกันแล้วความยากไร้ก็มีทุกขมากกว่าความมั่งคัง่งแต่ความมั่งคัง่งมันก็เป็นทุกข์อีกระดับหนึ่งอา จ, จจะหนีจากความมั่งคั่งไปสู่พบชาติที่ตนคิดว่าพระณีสสูงขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นความทุกข์เช่นเดียวกันแต่นั้นในแง่ของสังสารวัฏท่านจึงเรียกว่าสังสารทุกข์แมการเวียนว่ายตายเกิดในพบชาติที่ประณีสอย่างไรก็ตาม ถ้ามองกับจุดสูงสุดคือจุดที่สมบูรณ์จริ ง, รงๆก็ถือว่าเป็นความทุกข์อยู่ mm hmm. การดิ้นรนในชั้นนี้จึงเป็นการดิ้นรนในทางที่ชอบระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทางชอบที่สมบูรณ์ mm hmm. เป็นข้อปฏิบัติในชั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้นจึงตามหลักการปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้ในหนุงบุพิกถ า, าก็จะพบว่าเป็นการปฏิบัติขั้นที่3 ในชั้นของตกแต่งพบชาติให้ประดิษที่เริ่มด้วยการให้ทานการรักษาศีลแล้วการอุบัติบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่โลกสวรรค์ น, นั้นก็เป็นทุกข์พตกอยู่ในพ่วงของมารแต่อยู่ในการบงการของบรรดากิเลสทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแส ด, แดงถึงข้อปฏิบัติที่จะ สร้างภพชาติอันประนีตขึ้นไปโดยลาดับในชั้นนี้ก็คงถือว่าเป็นเรื่องของสวรรค์เป็นการดิ้นจากความทุกข์อย่างหนึ่งไปหาความทุกข์ที่น้อยกว่าแต่ไม่ใช่ความสุขที่สมบูรณ์นี่คือการสแสวงหาในชั้นหนึ่งซึ่งการมองนั้นก็มองได้สองชั้นแต่ชั้นที่เป็นโลกิยธรรม พระยาทรงแสดงว่าเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐแต่ละเทียบเคียงในชั้นโล ก, กุตระธรรมการสแสวงหาเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องด้วยชราพยาธิมรณะอยู่คือยังเกี่ยวข้องด้วยภัยอันตรายทั้งหลายอยู่ก็ถือว่าเป็นการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐแต่การสแสวงหาอีกชั้นหนึ่ง จากคําถามของท่านกับะมานพและแต่ละท่านที่ถามมาโดยลาดับนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าแต่ละท่านไม่ต้องการเกิดในสังสารวัฏทั้งหมดต้องการหลุดพ้นอย่างแท้จริงเป็นการสแสวงหาในชั้นนี้จะพยายามสลายหลีกหนีตนเองให้หลุดพ้นจากภัยทั้งสี่เจ้าะภัยในที่นี้ท่างก็เน้นไปเพียงสี่ภยัย คือชาติภัยชาาภัยปยาธิภัยและมรณะภัยที่จะมีอยู่ในสังสารวัตรซึงหมายความว่าแม้จะเกิดถึงเป็นพรหมแล้วก็ตามก็ยังเป็นชาติยังมีภัยคือชาติยังมีภัยคือชารายังมีภัยคือปยาธิและยังมีภัยคือมรณะยกท่านยังมองไปที่จุดสูงสุด คือหลุดพ้นจากภัยเหล่านั้นอย่างแท้จริงนี่เป็นการมองทุกในแง่ที่สมบูรณ์ปัญหาในขั้นของการกำหนดรู้ทุกจึงมีหลักการปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปบางขั้นบางตอนก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้บางขั้นบางตอนก็ช่วยตัวเองได้กรณีเพิ่งสังเกตว่า คนบางคนที่ประสบความทุกข์แม้แต่ทุกจรนๆที่ตัวเองสร้างขึ้นเองแต่ก็เข้าใจปัญหานั้นทุกอย่างเช่นว่ากรัดกลุ่มไม่สบายใจอาจจะเพราะคนของที่รักพรพากจากไปหรือต้องเกี่ยวข้องกับคนซึ่งตนไม่ชอบสามารถอธิบายสาเหตุได้ทุกอย่าง แล้วก็เล่าเรื่องราวเหล่านั้นโดยละเอียดแต่ก็ยังกรุมอยู่ยังมีความมีตกกังวลยังมีความอึดอัดขัดข้องอเป็นการแสดงเห็นว่าการรู้ทุกข์ในลักษณะนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่สามารถทำตัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ท่านกะปะจึงกราบทูลถาม ขอใหพ้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฏิปทาที่จะนำผู้ปฏิบัติคือสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากภัยและจากความทุกข์และขอให้แสดงให้ท่านหลุดพ้นจากภัยจากความทุกข์ด้วยซึ่งกหมายความว่าในแง่ของตัวท่านเองแล้วท่านก็มองเห็นทุกขั้นตอนว่าเป็นความทุกข์มีความเพียรพยายามที่จะหลีกหนีแต่ไม่รู้จะไปทางไหน เพราะไม่รู้จักค้นทางที่จะนําตนให้ดุพ้นจากความทุกข์จึงมากราบทูลถามพระพุทธเจา้าทุกจึงเป็นปริญญาตับประธรรมธรรมะที่ทรงสอนให้กําหนดรู้สภาวะของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็จะมองในแง่ของสูงสุดคือจุดที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง ท่านมองเห็นเป็นกองทุกข์ล้วนๆเรียกว่าทุกขะขันคือกองของความทุกข์ก็จะแตะในส่วนใดก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นแต่ความทุกข์นั้นก็มีอยู่สองช่วงช่วงหนึ่งเป็นเรื่องของสภาวะของมันเช่นความเกิดที่ท่านเรียกว่าชาติทุกข์หรือชาติภัยก็ตาม มันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่เหตุปัจจัยเหล่านั้นยังมีอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีอยู่นี้เรียกว่าความทุกข์โดยสภาพเมื่อเกิดมาแล้วก็ถึงชราภัยหรือชราทุกข์ทุกข์คือความแก่ความชราความครั่งคราและการเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายเหล่านั้น ถึงจะมองในแง่ของความสวยอารมณ์ทต่เรียกว่าเวทนาอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้สมัครคนบางใบเช่นว่าเมื่อรู้สึกว่าตนโตขึ้นหนุ่มสาวขึ้นเป็นความเพลิดเพลินเป็นความยินดีอยากโตอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากเป็นผู้ใหญ่เมื่อโตเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เป็นผู้ใหญ่บุคคลเหล่านั้นอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ในแง่ของเวทนา แต่ในแง่ของสภาวะทุกข์แล้วสิ่งนั้นก็คงเป็นทุกข์อยู่นั่นเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแนวที่สูงขึ้นสำนวนทางศาสนาท่านเรียกว่าปฏิชัดนชราคือชราที่มันปกปิดเอาไว้เป็นความแก่ชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ปกปิดความแก่ความวิปริตต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเอาไว้ คนจึงไม่ค่อยรู้สึกว่าตนแก่และมักจะชื่นชมยินดีกันในช่วงนี้แต่ชราถึงจุดหนึ่งจะพบว่าเป็นชาราทั้งสองด้านคือเป็นชาราที่เป็นสภาวะทุกข์ในแง่ของเวทนาด้วยและในแง่ของสภาวะด้วยนั่นก็คือเมื่อเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายเวทนาก็เกิดสูงขึ้นคือทุกเวทนาก็จะปรากฏมากขึ้น แล้วความแกง่งงอมความคล่ำคร้าความพิกลพิการของร่างกายก็จะติดตามมาและชัดเจนมากยิง่งขึ้นแต่จะถามว่าในกรณีนี้บุคคลสามารถมองเห็นทุกได้หรือไม่เราก็จะพบความจริงอีกประการหนึ่งว่าบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นคนที่เห็นก็จะมองชีวิตข้างหน้าว่าสั้นนัก จะรีบเร่งขวนขวายสั่งสมความดีด้วยประการต่างๆอย่างที่พระพภาคเจ้าทรงแสดงแก่พรามชาราท่านหนึ่งเป็นการให้อนุสติเตือนใจอนุสติในที่นี้ก็คือมรณาอนุสติคือสติย้อน ล, ลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นแกตน่ตนโระวัดนี้ไวของท่านแก่งงอมแล้วการจะปรากฏตัวต่อ สำนักของโยมทูตมันก็ใกล้มาแล้วแต่ว่าสเบียงคือสเบียงซึ่งเปรียบสเบียงคือกุศลซึ่งจะเป็นที่พึ่งพํานักของท่านในสัมปราคภพนั้นยังไม่มีก็ขอให้สร้างสเบียงคือกุศลเอกไปเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งที่เกาะของตนในสัมปราคภพนี่แสดงเห็นว่าโดยปกติแล้วท่านพราหมณ์ชราท่านนี้ท่านก็ยังมัวเมายังประมาท ไม่พยายามใช้โอกาสซึ่งเหลือน้อยให้เกิดประโยชน์มากดังนั้นจึงพบว่าเวลาชราภัยหรือชราทุกขปรากฏนั้นก็ก็จึงคนเห็นทุกขเป็นทุกขก็จะมีน้อยเพืออาจจะเห็นว่าเป็นทุกขแต่พยายามหลุดพ้นจากความทุกขหรือใช้ประโยชน์จากชีวิตร่างกายซึ่งความทุกกําลังปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้ได้ประโยชน์แก่ตนนั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนน้อย เรื่องนี้จึงดูแลคล้ายง่ายแต่ในเชิงการเข้าถึงแล้วกลับเป็นเรื่องยากไปหมดเลยบางบางทีก็มีการแข็งขืนมีความเพียรพยายามที่จะต่อต้านใ้สภาวะทุกข์เหล่านั้นซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาในสุดก็เดือดร้อนวุนวายเพราะต้องการจะชะลอต้องการจะแก้ไขจิตใจแทนที่จะมุ่งเสริมสร้างความดี เพื่อคลายความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีในกายแต่กลับหันไปหมกมุ่นบุบวายเพลิดเพลิพนยินดีในกายไปปรุงแต่งไปตกแต่งเป็นอาการของโลภเป็นอาการของราคะมันเป็นชนนี้โมหะคือความหลงมันก็สูงขึ้นสติที่จะระลึกรู้การเวลาซึ่งใกล้เข้ามาแล้วก็จะลดน้อยลงในสุดทําให้ดํารงตนอยู่ด้วยความประมาท เพราะั้นไอชาราทุก์จึงกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะทำให้คนผู้ไม่มีปัญญาไม่สามารถได้ประโยชน์อะไรได้จากความแก่เหล่า น, นโ้ยเจ้าจึงแสดงเรื่องของความแก่ไว้ในชั้นต่างๆแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าทำอย่างไรบุคคลจึงจะ เพิ่มสัดส่วนของความแก่ในด้านอืน่นผู้สํานวนบ้านๆว่าแก่สินแก่ทานคือเมื่ออายุสูงขึ้นคุณธรรมความดีก็ควรจะสูงขึ้นตามสัดส่วนของอายุที่เพิ่มขึ้นที่จริงกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์โดยธรรมชาติและเป็นกฎเกณฑ์ที่เสริมค่าของสิ่งเหล่านั้นของคนนั้นของอะไรก็ตามคือถตะลุ่งการผ่านวัยมามาก เตริต้นไม้เมื่อเติบโตขึ้นมารากจะต้องลึกขึ้นแก่นจะต้องเพิ่มขึ้นกิ่งใบจะต้องมากขึ้นต้นไม้เหล่านี้ยิ่งนานเข้าจะเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าแต่ถ้ายิง่งโตขึ้นยิ่งไม่มีอะไรเลย <c oughs> ก็ไม่มีใครปรารถนาต้นไม้เหล่านั้นในเรามองมาที่คนก็จะได้ภาพเช่นเดียวกันราะคนเราถ้าอายุร่วงการผ่านไปป ม, มาก แต่คุณธรรมความดีไม่ได้เพิ่มขึ้นเรียกว่าสารธรรมธรรมะที่เป็นแก่นเป็นสารตัวสารธรรมเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วทรงแสดงมาเพียงสามเพียงห้าข้อเท่านั้นเองแต่แท้จริงแล้วก็มีเพียงสี่เพียงสามข้อเพ้ยสองข้อนั้นเป็นผลเท่านั้นเองพรูอาจารย์เน้นไว้มากก่อนที่พระองค์จะประนิพน์การสอนในนั้นดึงก็หาพระองค์ได้ง่าย พระองค์ได้เชียเห็นที่พระวรากายของพระองค์ว่ามันชำรุดแล้วมันแก่ชราแล้วมันเกวียนที่คร่ำครา่าที่จะต้องซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่มันทุกอะไรไปได้นิดหน่นนอยก็ต้องหยุดซ่อมกันอีกจึงทรงเน้นปฏิสารธรรมห้าบางทีเราเรียกว่าอริยธรรมบางเรียกว่าบางทีเราเรียกว่าสารธรรมนั้นก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุต คือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในวิมุตต์ตัวการใหญ่จริงๆก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองส่วนวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์นั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญามีสมบูรณ์ตั้งจุดหนึ่งวิมุตต์ก็เกิดขึ้นจุดหนึ่งเมื่อเข้าถึงความสมบูรณ์วิมุตต์ก็สมบูรณ์ ส่วนที่เรียกว่าวิมุตติยานทัศนะนั้นก็เป็นผลเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปคืออยู่เป็นอย่างนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงสาระจริงๆในชีวิตจึงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพิ่มแก่นเพิ่มสาระขึ้นมาได้บุคคลก็จะได้ประโยชน์จากความแก่คือเห็นภายในความแก่แล้วหาประโยชน์จากความแก่ ในช่วงหนึ่งเฉพาะในที่นี้ท่านนําเอาพยาธิภัยเข้ามาไว้ไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกันพยาธิภัยภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนั้นก็นเน้นไปตามปกติแล้วจะเป็นพวกทุกจนรนคือมันจรเข้ามาไม่ใช่ว่าเป็นอยู่สม่าเสมอแต่ถ้ามองในแง่ของความเปลี่ยนแปลงความเบียดเบีย น, ย น, ยนการกัดกร่อน สุขภาพพลานามัยของบุคคลโดยจะพบว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันก็เกิดดูได้เรื่อยๆเจนไปใชย้ยาบทใดยาบทหนึ่งนานไปก็เกิดทุกข์เกิดทุกเวทนาขึา้นมาบางทีเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอากาศเป็นต้นดังนั้นท่านก็รวมเอาไว้ในกลุ่มของสภาวะทุกข์ด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน บุคคลมองเห็นว่าเป็นทุกข์นั้นก็มีแต่ปัญหาในการแก้ไขเรื่องพยายามแก้ไขด้านกลับมีน้อยไอ้โรคจรนบางอย่างจึงเกิดขึ้นซ้ำซากในชีวิตของบุคคลเกิดขึ้นได้โดยสม่ำเสมอแล้วก็โรคนั้นเองนี่แสดงให้เห็นว่าแม้จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่ก็ไม่เพียรพยายามที่จะหลีกหนีจากความทุกข์เหล่านั้น จึงถูกเสียดเสียดแทงด้วยโรคจึงเกิดขึ้นไปจำแล้วเกิดขึ้นไปบ่อยนี่เป็นลักษณะาอาการอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกับเห็นทุกแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการเห็นทุกส่วนมรณะภัยหรือภัยคือมรณะนั้นดังที่ทราบกันแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนเตือนตลอดแล้ววางไว้ทุกจุดของการปฏิบัติ เพราะอะไรเพราะมรณะภายนั้นเป็นอวิชชาที่ชัดมากเกิเราไม่รู้จะตายเมื่อไรตัวอย่างไระยกใกล้ๆก็เห็นกันชัดว่านักบินอวกาศในยานเชเดนเจอร์เพียงเจ็ดสิบสองนาทีแต่นั้นเองยิ้มยิ้มกันอยู่ดีๆแล้วก็ตายไปแต่เป็นการเชียหยเห็นว่าอนาคตข้างหน้าเป็นนาทีนี่เราไม่รู้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะตายเราจะตายอย่างไรลรวจะอยู่ได้หรือไม่ใน แ, แง่ของพระพุทธศาสนาจึงเน้นที่ปัจจุบันจึงการปฏิบัติละเอียดขึ้นอะไรจะเน้นที่ปัจจุบันมากที่สุดเน้นทุกทุกลมหายใจเข้าออกให้บุคคลหาประโยชน์จากทุกทุกลมหายใจเข้าออกเพราะไม่แน่ว่าขณะต่อไปนั้นเราหายใจเข้าแล้วอาจจะไม่ออกก็ได้ ว อ, ออกไปแล้วอาจจะไม่เข้ามาอีกก็ได้เั้นถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็รีบใช้ขณะเหล่านั้นแล้วขณะที่จะใช้ได้ประโยชน์มากก็คือดูที่ลมหายใจเข้าออกเยียเป็นการตามรึกลึกรู้ลมว่มาตัวเกิดตัวดับของชีวิตมันก็อยู่ตรงนี้เองพอลมหายใจเข้าออกเป็นกายจะสังขารเป็นตัวปรนปรือกายอยู่ การนี้เป็นที่รักเป็นที่พอใจที่ยินดีของเราจะอยู่หรือจะไปมันก็อยู่ที่ลมตัวนี้เองการมองลมจึงใช้หลายชั้นแล้วก็ใช้ขึ้นไปเรื่อยๆจนบรรลุมรรคผลในผ่านาในขณะเดียวกันก็สอนให้มรณสติมาเป็นตัวสนับสนุนเจ็ดพิจารณาตามแนวินหาปจัจเบกขณะอย่างที่สุดกัน ม่น่า ร, รมโมหิมืองดังนะติโตเรา ม, มีความตายเป็นธรรมดาไม่ต้งพ้นความตายไปได้ซึ่งก็หมายความว่ามองให้เห็นความตายเป็นธรรมดาดูแลคล้ายๆจะง่ายแก่แต่ก็จริงแล้วปรากฏว่าไม่มีใครมองเห็นเป็นธรรมดากันได้สักกี่คนท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะใจมันเกี่ยวเกาะในสัตว์และทั้งขานทั้งหล ตามปกติก็สองแนวแนวหนึ่งก็คือด้วยความรักใคร่ ย, ยินดีแนวหนึ่งก็ด้วยความเครียดแค้นจริงจังเพราะบุคคนมันเป็นที่รักใคร่ ย, ยินดีแทนที่จะเข้าถึงธรรมดามาเข้าถึงโศกะหรือเข้าถึงความโศกบางคนรักใคร่ ย, ยินดีพอใจญาติพี่น้องตายไปใจคนไม่ได้อยู่ที่ธรรมดาแต่เข้าไปอยู่ที่โศก พิริยิไรนำพันความทุกข์ขับแค็งใจอัดใจด้วยประการต่างๆพอคนที่เป็นศัตรูตายก็ไม่ได้อยู่ที่ธรรมดากลับไปอยู่ที่ดีใจรู้สึกสะใจรู้สึกสบายใจดีใจที่ศัตรูตายไปได้เหมือนกับน้ําออกเอาผงออกจากตาสํานวนที่เขาบอกเหมือนกับเอาผงออกจากตาได้เรื่องพื้นพื้นง่ายๆทั้งหมดที่พระพุทธเจ้ า, านํามาสอน แล้วก็จริงไละยากทั้งหมดในการปฏิบัติในการที่จะเห็นความทุกข์แม้จะมีการสวดการสาตยายกันยังไงก็ตามก็ดูบางทีก็คล้ายๆใจเห็นแต่ถ้ายังไม่หน่ายในทุกยังสยบติดอยู่ในความทุกข์เหล่านั้นและยังมีปัญหาอยู่กับความทุกข์ก็ยังไม่เชื่อว่าเห็นทุกข์อย่างจำนวนที่เราพูดกันว่า นกไม่เห no ็นควาปลาไม่เห็นน้ำให้ควาทั้งๆที่อยู่ในน้ําแต่ก็ไม่เห็นน้ำทั้งๆที่อยู่ในอากาศแต่ก็ไม่เห็นควาคนเราทั้งๆที่อยู่กับความทุกข์อยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็อยู่กันตลอดในชีวิตแต่ก็ไม่เห็นถึงความจริงในเรื่องทุกข์เราได้ ความทุกข์ถึงเกิดขึ้นเกี่ยวเกาะปูพันอยู่ตลอดไปเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องก็คงเป็นเรื่ององกัดกุ่มวิตกวังวลเสียใจเสียใจเรื่องอะไรให้รายละเอียดได้เรียบร้อยแต่ก็ยังเสียใจถ้าไม่เพราะอย่างนั้นฉันก็ไม่เสียใจอย่างนี้เพราะอย่างนี้จึงต้องเสียใจก็รู้ว่าตัวเหตุเสียใจมาอยู่ตรงไหนแต่ก็ยังเสียใจนี่แสดงให้เห็นว่า มันรู้ทุกแต่ไม่สามารถจะตอนตนนันหลุดพ้นจากทุกได้พระธรรมนองอรุไฟร้อนแต่ก็ไม่ระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้งของกับไฟรู้ใบายามุกเป็นทางเสื่อมแต่ก็ไม่หลีกหนีใบายามุกรู้สุราดื่มไม่ดีแต่ก็เมาแต่ยังดื่มอะไรเนี่ยรู้ทางนี้ไม่ควรเดินมีอันตรายก็ยังเดินบางทีท่านก็พูดให้สติว่า ทางนั้นมีอยู่แต่ผู้เดินไม่มีให้ความต้องการรู้อะไรต่ออะไรดันเราก็รู้กันอยู่พอสมควรแต่ว่าจริงแล้วไม่สามารถที่จะเดินในทางที่ควรเดินงดเว้นในทางที่ควรงดเว้นคนส่วนใหญ่จึงยังประสบความทุกข์หรืออย่างน้อยก็ขึ้นขึ้นลงๆจิตใจยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ด้วยความสุขและความทุกข์ มีการฟูขึ้นบางขณะมีการฟุบลงบางขณะโดยสาเหตุปัจจัยเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นสั่งสอนไว้ในที่ต่างต่คือทั้งย่อยทั้งพูดเป็นชุดชุดมาเลยหรือบางทีก็ทรงจำแนกแกแยะให้ดูละเอียดแล้วก็ดูกันที่ตัวที่สิ่งที่ใกล้ตัวที่สัตว์ที่สังขารถึงบุคคลคุ้นเคยอยู่นั่นเอง เดีวก็น้อมนึกกลับไปกลับมาตามสูตรที่ทรงสอนคือสอนเป็นสูตรอยู่อย่างนั้นสอนที่ไหนก็ทรงสอนอย่างนั้นเพราะมันเรื่องอย่างนั้นเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นสมัยพระพุทธเจ้าปเป็นอย่างไรก่อนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไงปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองความเกิดอาศัยเหตุปัจจัยยังไงเกิดปัจจุบันมันก็เหต cherish, ุปตัจจัยอย่างนั้นเกิด และต่อไปก็คงจะเหตุปัจจัยอย่างนั้นความแก่ความเจ็บความตายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอย่างในปัจจุบันเหตุปัจจัยประกอบจากภายนอกอาจจะสูงขึ้นในซ้าไปเช่นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในที่ต่างๆนั่นแสดงว่าสมัยก่อนอุบัติเหตุอย่างนั้นไม่มีสมัยนี้เราก็สร้างสิ่งที่ทาให้คนใกล้ความตายมากขึ้นนการดารงชีวิต ในฐานะของผู้ไม่ประมาทนั้นก็คือพยายามกําหนดรู้ทุกตามฐานะนั้นๆแล้วเปลี่ยนพยายามที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามสมควรแก่ขณะนั้นๆจะเป็นการสะสมพื้นฐานความดีงามขึ้นภายในใจมีปัญญาฉับไวที่จะแก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นได้ตามสมควรต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจ ทงความสงบสืบต่อไป